อ้าวภาวนาอยู่วัดอยู่วันพิเตอร์นะภาวนาภาวนาบังจะคลองท่านั้น่แหละภาวนาบังใจรู้ใจนะเอาใจทันสีว่าเอาภาวนาเอาใจแต่ว่าบางมันก็บอเอาอย่างดอกนอกมันเข้าใจมันเข้าถึงใจแล้วมันก็ว่างอืมันก็ว่างใจ มหาเหตุคือใจเท่านั้นละแกยุ่ใจม่กแกทีอื่นมหาเหตยุยุ่ใจสร้างเหตุบุญไหว้ก็ยุ่ใจปล่อยว่างว่างก็ยุ่ใจแปลว่าใจนี่แหละเป็นความจริงเป็นสัจธรรม เป็นสัจธรรมใจเป็นจะว่าเป็นตัวภพตัวชาติตามสมมติก็ว่าได้ก็มันใจที่ให้มาเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายกับเพราะใจนี่แหละถ้าไม่มีใจก็ไม่มีต้นเหตุ ไม่มีมหาเหตุ ม, มีใจแล้วท่ำกามากรับใจกิเลสก็มากรับใจกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องของกิเลสนะมั่นมีที่จะให้เป็นความสุขความสงบล่ะนี่จะให้ทุกข์นี่จะให้วุ่นวายใจแสแเรื่องของร่ำท่ำเนี่ยให้สงบ ท้ำให้น้ำออกน้าออกจากทุกข์คือว่านิยานิโกะถ้ำเป็นเครื่องน้าออกน้าออกจากทุกน้าออกจากภบจากชาติน้าออกจากความยึดความถือความหลงต่างๆแต่อยู่กับใจว่าอยู่จุดเดียวกันเมื่อนี่ใจเป็นเหตุตั้งขึ้นว่าอย่างเดียว ใชกิเลสก็มากับใจถ้ำก็มากขับใจที่นี่กิเลสคือความรุ่มหลงความไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์สัญญาก็ไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสหลังคานก็ไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสวิญญาณความรับรู้รับทราบก็ไม่บริสุทธิ์ เพราะกิเลสรูปก็ไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสเนี่ยเรียกว่ากิเลสเป็นตัวเหตุที่ไม่บริสุทธิ์ความโลภก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสหลงก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสมานะทิฏฐิความถือพิษความเห็นผิษก็เกิดขึ้นเพราะกิเลส กิเลสคืออย่างตัวเหตุใหญ่ก็คืออวิชชาอวิชชาโอคะโอคะสามโอคะคือห่วงน้ำโอคะคือห่วงแห้งคลอมทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์กามโอคะทิฏโคะอวิชโคะเรียว่า ที่จะเป็นกรมโอคะจะเป็นกามกิเลสจะเป็นทิฏฐิโอคะเป็นความเห็นผิดอยังบล า, ววาบาาวาาว่างกะเพราะอวิโชคะเพราะอวิชชาอันนึงว่าอวิชชาเป็น เป็นตัวเหตุของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจะร่วมลงมาตรงนั้นแต่วาอาวิชชาคือความไม่รู้ทีค่คนบอกไว้ในหลักที่ ค, คนปแปลไว้ว่าอาวิชชาคือความรู้นั่นแหละไม่ใช่ว่าความไม่รู้แต่ว่ามันรู้ยังไม่จริงรู้ยังไม่แจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้นั่นมันเป็นปลายมันเป็นปลายของสมมุิที่เพื่นเขียนไว้ในตำรับตำล่าว่าอาวิชชาคือความไม่รู้แต่ตามความจริงแล้วอวิชชาคือคือความรู้จะรู้ไม่แจ่มแจ้งจึงเรียกว่าอาวิชชาอระแปลว่าไม่อวิชชาแปลว่ารู้คือไม่รู้ ไม่รู้แจ้มแจ้งไม่รู้ตามเป็นจริงแต่หาเป็นความรู้นั่นแหละที่ถ้ารู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเป็นจังว่าวิชามันไม่มีอะวิชาคือความรู้แจ้งปัญญาสมาธิธิการประชุมทั้งความรู้และความเห็นลงเป็นดวงตาธรรมแจ้มแจ้ง อันนั้นงเรียกว่าทำลายทาลายต้นตอของอาสวะทำลายต้นตอของความโลภโกรดหลง ต, งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอาสวะกิเลสยุยทธีใจยุทธีใจอันเดียวเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องสํำรอกทมเป็นเครื่องซักฟอกทมเป็นเครื่องเผาผานเบื้องต้น ธธข้อประมาทธรรมข้อไม่ประมาทข้อไม่ประมาทนี่มันต้องมีสติมีสติข้อมระลึกรู้มีข้อมตั้งใจจงใจมีสัมปชัญญะข้อมรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องกันยึงเรียกว่าข้อไม่ประมาทเพระาะฉะนั้นมักมีองแปลกมักมีองแปล มักเป็นทางนำเนินไปสู่ความสิ้นทุกขวามคนทุกข์พ้นจะพบชาติการเกิดการปุงการแต่งต่างๆเป็นจย่งว่าศีลสมาธิปัญญามักมีองค์แปดร่วมลงมาสามแก่เจศีลสมาธิปัญญาศีล คือการปฏิบัติต่อกายกับใจต่อกายกับว่าจาสมาธิปฏิบัติต่อใจกับสัญญาอารมณ์ปัญญาปฏิบัติท่ำควอมรู้ควอมเห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาว่ารรมทั้งหลายตามเป็นจริง ที่นี่ศีลจะให้เป็นศีลคําว่าศีลศีล ส, สังวรศีลสังวรก็ ค, คือความสังวรความสำรวมความระวังความตั้งใจระวังไม่ล่วงเกินโทษระวังการกล่าวการพูดอี่นี่สติ พูดก็มีสติว่าเราจะพูดเรื่องอะไรมีเหตุมีผลอย่างไร่ให้รู้สิ่งที่พูดมีคุณมีประโยชน์หรือจะให้เกิดโทษอันดึงว่าการพูดที่เป็นประโยชน์พูดศีลกถาจะพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา สีรัทธาจิตจตะถาปัญญากถาถ้าพูดเรื่องอื่นสเปสปะไไปมันจะเกิดโทษนี่เมื่อมีสติกำกับอยู่กับการพูดคำพูดก็จะไม่มีโทษมีสติกำกับอยู่กับการเคลื่อนไหวของกาย ยืนเดินน่องนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่สติกำกับยุ่กับกายกับน้อกับลูกกับน้มนี่เรียวว่าเป็นเป็นศีลเป็นศีลสังวรเมื่อมีสติต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยเรื่อยการร่วมขมาเป็นกำลังของ สมาธิเมื่อสติมีกำลังต่อเนื่องกันก็เป็นผลเข้า่าสมาธินึ่มันเป็นผลมันเป็นผลการตั้งอกตั้งใจการกำหนดรูเช่นเล่าเคลื่อนไหวไปมาในสติปฐานสีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฐานที่ตั้งของสติ คือกายเวทนาจิตธรรมอันรู้ในกายรู้รอบในกาย <Okay. S 1> การเคลื่อนไหวไปไ ป, ไปมาเย็เนเดินนั่งนอนและลึกรู้รอบรู้ในจิตพร้อมนคิดจิตตังเแบลบผู้นึกคิดมันจะเป็นคณะคณะนึกเรื่องนั่นนึกเรื่องนี่ถ้าร่วมเขามานได้ค้นหาก คิดตังผู้นึกคิดไปแต่แกสังขารนั่นแหละสังขารข้อมปรุงแต่งปรุงฟุ่งไปตามสัญญาล่มอันนั่นอันนี้ปรุงแต่งให้เกิดค้อมอยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี่ไปเป็นเป็นความละเอียดของสังขารเปลี่ยนจากความนึกคิดปรุงแต่งไว้เป็นความอยากละเอียดเข้าไปค้อมอยากละเอียดเข้าไปกับเป็นข้อมไขข้อมยึดติดเป็นพบเป็นชาติ เป็นการเกิดอารมณ์อยู่ในความยึดความจดจ่อของจิตนั่นนี่ฉันจะให้ลูกจิตตังผู้นึกคิดลูกนี่สติลูกความนึกความคิดไม่หลงไม่หลงความคิดเพราะถ้าหลงความคิดความนึกมันจะเป็นไฟมันจะเป็นความร้อน ไปนึกคิดด้วยความรู้รู้เหตุรู้ผลรูล้โทษรู้คุณรู้เวทนาที่นี่ความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นความสบายไม่สบายเวทนากายเวทนาจิตมันก็มีวิญญาณเป็นผู้รับรู้เข้ามาถึงใจมันจะพูดร่วมสุดห่อยก็เร็วใจละเป็นผู้รู้ ทุกมันเกิดขึ้นกำหนดเอาทุกมาเป็นอารมณ์เหมนยงว่าทุกมันกำหนดรูปุษาเจ้าพนาลนยา่ายมพอนั่งภาวนาเวลาเานั่งภา ว, น า, าา น, าว น, านานันหรือเขาเดินภาวนาเดินจงกรม น, นันหรือยืนบอเปลี่ยนอิริยาบถหรือนอนนา่นนั่น หรือว่านอนเอานอนภาวนาบ่าให้มันกระดุกกระดิกนอนแตะแคงคางข้อคางเดียวมันจะเกิดทุกข์ด้วยแบบมันจะเกิดทุกข์ที่แลกเข้าบริกรรมรู้พุทโธพุทโธพุทโธเพรทุกข์มันเกิดขึ้นมันกสิว่างพุทโธมันจะอยากเปลี่ยนอยากคลิกอยากเปลี่ยนวิญญาณบุตรเอาไม่พิกไม่เปลี่ยนเอาทุกข์เกิดขึ้นท่วงทนกำหนดเอาทุกข์นั้น เป็นอารมณ์เป็นบริกรรมภาวนาไปเลยเรียกว่าเอาทุกมาเป็นจุดหมายเครื่องลูก เ, เครื่องลูกของใจ เ, เครื่องระลึกของสติสติระลึกลูกทุกที่หอมเขาผ่านทั้งร่างกายและนีใจเป็นผูลู้เอามันทุกมากมันทุกมากมดเอาทุกเป็นอารมณ์จดมึน ถึงที่สุดแห้งทุกมันกระดับทุกเกิดขึ้นทุกดับไปเหมือนกันทุกดับไปแหละมันก็จะเปลี่ยนสุกเกิดขึ้นสุกเกิดขึ้นสุกกระดับไปเหมือนกันนเมื่อกำนด์อธุกเป็นเครื่องลูกของใจเครื่องลูกของสติมันก็จะทำให้ใจเนี่แนวล่งซู่ ใจแท้ใจเดิมได้เรียกว่าย่อมตายกิดสงบได่ว่างจากทุกไปได้เหมือนกันนี่เพราะนั้นเรียกว่าทุกข์วรกกำหนดลูกทุกข์วัตั้งสติดูใส่ปัญญาที่หน้าใข่ขวัเมื่อมันเข้าใจทุกข์แล้วนี่มันก็เป็นเพี้ยงความสำคัญมั่นหมายความสมมุต ความยึดว่าเป็นทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนามันจะไล่กันพิจารณากันด้วยปัญญาก็จะเข้าใจในความทุกขว่าทุกเนี่ยเกิดขึ้นทุกดับไปสุขเกิดขึ้นสุขดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเล่าเขาไม่ใช่เล่าไม่ใช่ใจความจรแล้วสุขทุกขก็ไม่ใช่ใจใจ เป็นยญยในการรู้เท่านั้นเป็นท่ารู้แต่ว่าเมื่ออวิชาความไม่รู้ตามเป็นจริงมาดูแจ้มแจ้งมี่มันจึงเป็นเหตุให้ผลิตอาสวะน้อยใหญ่เ็นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าท่านไม่รู้เหตุผลความโลภเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อทําความรู้ทําปัญญาให้แจ่มแจ้ง รู้เท่าท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตที่เรียกว่าความไม่รู้ทําความรู้ให้แจ่มแจ้งเป็นปัญญาขึ้นความไม่รู้ดับไปโลภก็ดับไปโกรธก็ดับไปหลงก็ดับไปอันเดี๋ยดธรรมชาติใจรู้ๆแท้ๆเดี๋ยดธรรมชาติใจรู้รู้ว่างรู้รู้ ลู่ลูก็คว่ำลู่ลูว่างลู่นี่ด้วยการเอาฐานซียางเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติที่ระลึก ข, ของสติที่รู้ของใจนี่กายเวทนาจิตก็มาคิดท้ำอารมณ์นั่นแหละอารมณ์รักอารมณ์ช่างอารมณ์อยาก ทุกเกิดขึ้นยากให้ทุกหายไปสุขเกิดขึ้นอยากให้สุขอยู่นั่นๆเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดเห็นไลู่กายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ให้เกิดควอมู้ความเห็นความเข้าใจลู้แล้วก็ละกับว่างมันละเองมันว่างเองเมื่อรู้ด้วยก็ ม, มีสติก็ ม, มีปัญญาสอดทลองไขขควร นี่เป็นหุนทางเป็นหุนทางดับทุกขเป็นถรมที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงข้อดับทุกอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจว่าจะอยู่ที่อื่นอม่ได้ไม่จะอยู่ที่อื่นแต่ว่าศีลก็ร่วมอยู่ที่ใจสมาธิกับเป็นเรื่องของใจเมื่อใจตั้งมั่นใจเป็นตัวของตัวเองไม่กระเพื่อมไม่กระซับกระสาย ก็มีความสุขในสมาธิในความไม่ฟุ้งซ่านของใจปัญญาปัญญาก็เกิดยุ่งกับใจสร้างให้เกิดยุ่งกับใจจึงว่าให้พินิจพิยน่าไข้ค่วนอาการของการไข้ค่วนการอาการของการพินิจพิยน่าด้วยความมีสติด้วยความมีสมาธิเป็นกำลังหนูนนัน มันจะแยกแยะพิจารณาจะเข้าใจจะแยกอความโลภออกไปได้รู้เรื่องของความโลภหรือแยกความโกรธแยกความอยากแยกความหลงแยกคาําวัตถิธิมาะนะความถือความยึดน่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันก็ลบรางเดี๋ยวมันขาดออกไปเมื่อเข้าใจสมมุติด้วยปัญญาอ จริงว่าถ้ำความรู้ให้เป็นความรู้แจ่มแจ้งอรู้รอบคือว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารคือรู้กายรู้ใจห้องเฮานี่แหละรู้ข้อปฏิบัติที่ว่าเฮาปฏิบัติแล้ปฏิบัติถ้ำปฏิบัติถ้ำที่จะเลื่อนศีลจะเลื่อนสมาธิจะเลื่อนปัญญามันเป็นอาการร่วมอยู่ในอันเดียวกันหมดคือยุที่กายว่าจใจใจของเราล่ง ฐานสุดท้ายก็เรียกว่ารงสู้ใจรงสู้ใจพี่น่าใจรู้ใจว่างใจด้วยปัญญากระมดงนันทันมดงานที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมิตรสเสวยมิตรสเสวยผลบสุขาวิหารธรรมมีธรรม เป็นเครื่องรูเครื่องยูเครื่องระลึกสุขสบายหายห่วงหายหลอนหายพบหายชาติหายการเกิดแก่เก็บตายสิ้นสุดลงได้ด้วยการกร็พิิบัติธรรมนี่เท่านั้นแร่วมขมาาว่าไม่อย่างดูกายดูใจสติ สมาธิฝึกฝึกสติให้ต่อเนื่องกันให้สติแก่กล้าจนเป็นสัมปชัญญะสมาธิเมื่อสติต่อเนื่องกันสมาธิเป็นผลพ่อยให้แน่วแ น, วแนว่เมื่อมีสติสมาธิแน่วแนว่ปัญญาปัญญา ต้องวิโตกวิจาร์ต้องต้องแยกแยะได้ปัญญาจะละเอียดจันปัญญาจะเสียบแหลมเข้าใจในสภาพว่าถ้ำที่ละเอียดความละเอียดของปัญญากับทำลายอาสวะที่ละเอียดที่เรียกว่าต้นต่อของอาสวะที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้จริง จะต้องปัญญาละเอียดจึงจะรบร้างกันได้เหมือนเหมืองกับทูรี่ขีผงในพื้นบ้านพื้นเฮี้ยนของเรามันละเอียดเราเอาไม้กวดยาเพื่อกวดนี่มันบกเบกี้ยงมันต้องเอาผาซุบน้ามบิดบัดบเซ็ดไปนะั่มันจังเลี้ยงมันจังมด อันนี้ก็เหมือนกันปัญญามันก็มีขันยาบคันกลางคันละเอียดคันละเอียดเข้าไปก็คือเรียกว่าจิตมา่ลู่จิต่นินะคันญาวไปสติจิตใจเนี่ยตัมมารู่รู้เรื่องของกายเรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของสัญญาสังขาพรพล่อมคิดพล่อมปรุงแตง่ง ละเอียดเข้าไปกับมารู้เรื่องของใจเรื่องของข้อมลู่ซ่อนเดี๋วก็ข้อมลู่นะที่ว่าเอาอสวะมันมาแยกอาการกันหาใจด้วยปัญญาอะมันว่างมันว่างออกไปเลยทุกบ่มีแน่ใจอาการแห้งทุกบม่มีเรียกว่าสิ้นสุดทุกด้วยปัญญา มีเท่านั้นได้จะไปหานอย่างอื่นแก่ทุกมันสิ้นทุกด้วยวิธีอื่นมั่นมีดอกสิ้นด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยร อ, องว่าทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมันเป็นสังโยชน์เบื้องบนทิฏฐิมานะ มณะข้อมถือทิฏฐิข้อมเห็นเห็นแล้วก็ถือทิฏฐิกามณะก็ได้อยู่น้ากันะได้คงเืินเป็นอันเดียวกันอืมันเห็นผิดมันถือผิดอยู่ก็ได้ชื่อว่ามันยังไม่รู้ยังไม่รู้แจมแจงถ้ามันทําความเห็นแจมแจ้งเขาไปก็เรียกว่าทำร่ายอวิชชาที่ความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นจึง สิ้นสุดการจเจริญมรรคในยุที่ใจที่กายกับใจของห่อนในยุที่อื่นเพราะฉะนั้นหันปากระบอกอาวุธสติวุฒสมาธิวุฒปัญญาวุฒสตินี่ก็เป็นอาวุธเป็นเครื่องเผาผลาญ สมาธิจะเป็นเครื่องเผาผานปัญญาเป็นเครื่องเผาผานเรียกว่าเป็นอาวุธเผาผัานอวิชชาเผาผัานอาสว ะ, ะที่มันเกิดอยู่กับใจเรียกว่าล้อมเ ป, เปรียบเหมือนกันกับล้อมอแร่ธาตุะตะกั่วธาตุเงินธาตุทองคา ลายขยีมันออกไปฮะมันเหลือแต่แร่บริสุทธิ์เหลือแต่ตะกัวบริสุทธิ์เหลือแต่ท้องค่ำบริสุทธิ์ไม่มีขีไม่มีตะกรันถ้าเขาหลอมด้วยไฟด้วยความร้อนสูง น, นี่มันหลอมด้วยความร้อนสูงแห่งสติสธรรมะปัญญาคือมันเป็นในจิตของเฮาอันนี้มันเป็นชื่อเส้ๆ ที่มาฝูดให้กันฟั้งว่าสตถินี่คือความระลึกรู้สมาธิความตั้งใจมันปัญญาความรอบรู้ในของฉันขานที่เมื่อมันเป็นในจิตของเฮ้าเนี่ยมันยังค่อยสํารอกมันยังคอยนี่มันจึงค่อยกําจัดข้อมหลงความยึดข้อมถือออกไปปล่อย ว, าวา่างว่างบพราะมิยั้งหรอกรู้ว่าเ่ราะมิยังเอง สันทิที่โกรู้เองเห็นเองคนจากทุกข์ให้ในจิตในใจเองเ <c oughs> น่นเอาอยามานันละอันนี้ด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจรร้าพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจงเป็นพะรังหนุนนํำดวงจิต ด, ดวงใจของพวกท่านทั้งหลายให้ประสบพบได้